เมื่อกี้เราก็นั่งภาวนาไปนั่งฟังเทศหลวงตาสี่สิบห้านาทีแล้วก็นั่งไม่มีเสียงฟังเสียงใจเจ้าของเนี่ยก็่ครึ่งชั่วโมงอืมถ้าเรานั่งที่กุฏิเราเนี่ยเรานั่งได้ทนขนาดนี้เราก็ได้กําไรทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันตั้งใจนั่งให้ดีทาไมตั้งสัจจะจริงๆนั่งไม่ได้นะ คนที่ไม่เคยต่อสู้เจ็บปวดสักหน่อยหนึ่งก็เลิกแล้วถ้าเราเระลึกถึงความระลึกถึงความตั้งใจความมุ่งมั่นที่เรามุ่งมั่นจะตั้งใจภาวนาเนี่ยเราเระลึกอันนี้เป็นคล้ายๆก็ว่าอันนี้อันนี้เอาอันนี้เป็นเดิมพันต์ว่างั้นเถอะอันนี้คือเป้าหมายของเราเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ คืออุดมคติของเราคือความมุ่งมั่นของเราคือความตั้งใจของเราเนี่ยในเมื่อระลึกเสร็จแล้วเราก็ตั้งสัจจะแล้วเราก็ตั้งใจภาวนาไปเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ปลอดตอนหัวคำ่ำสองทุ่มสามทุ่มถึงสี่ทุ่มมันเป็นช่วงที่ปลอดบางคนก็ถนัดเดินก็เดินไปเดินก็ต้องเดินตั้งสัจจะนั่งก็นั่งสัจจะคือทําไม่นั่งทําไม่ตั้งสัจจะ มันไม่มีอะไรมามัดใจมันไม่มีเครื่องมามัดจิตจิตมันเลยอิสระกิเลสมาอยู่ที่จิตเน่ะเพราะอิสระมันก็เลยสบายหัวกาก้างและกิเลสอยู่ในใจน่ะเราก็ตั้งสัจจะเข้าไปนับตั้งแต่ตั้งสัจจะเสร็จก็มัดมันเลยละละมัดเลยปิดประตูตีแมวเลยหละมัดเข้าไปเลยมัดเข้าไปที่ใจนั่นแหละ สติกำหนดไปที่ใจจ่อไปที่ใจสรมพชันยะจ่อเข้าไปที่ใจกำหนดพิจารณาเข้าไปยามตั้งสติกำหนดคำบริกรรมมีสติกำหนดจดจอ่อไม่ให้มันเผลอไม่ให้มันลืมคำบริกรรมไม่ให้มันทิ้งคำบริกรรมไม่ให้ลืมคำว่าลืมก็คือทิ้งนั่นแหละมันทิ้งอ่ะทิ้งคำบริกรรมก็ลืมไปแล้ว แต่ถ้ายังมีคําบริกรรมอยู่เนี่ยมันนานๆเราทำนานๆ น, านๆนานๆไปมันเหมือนกับอัดเข้าอัดเข้าอัดเข้าอัดเข้ามันแน่นอึ้งตึ้งอยู่เนี่ยมันสงบเข้ามาอย่าไปทิ้งครรนะําบริกรรมนะทิ้งบริกรรมเนี่ยเราตามจับจิตอย่างเดียวเนี่ยเราตามยากมากถ้าสติถ้า ส, ต, าสติเราไม่ดีพอถ้าพื้นฐานบาดฐานเราไม่ดีเนี่ยเราตามดูจิตเราตามดูยาก ไม่รู้มันไปตั้งแต่ตอนไหนเมือ่อไหร่เรื่องที่จะมาแย่จิตมันมีเครื่องมือที่จะมั น, มนดึงจิตเราไปมันมีเยอะเช่นอย่างเวทนาเนี่ยมันก็ดึงจิตเราไปได้สัญญาเนี่ยพร้อมที่จะคอยดึงจิตเราออกไปแหละเพราะว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยซึ่งเป็นนามขันเนี่ยอแต่ละขันแต่ละขันเนี่ยมันพร้อมที่จะดึงจิตเราออกไปได้ออก ไปจากงานที่เราทำเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นเจตสิกรธรรมฝ่ายฝ่ายนามธรรมมันเป็นเจตสิกรธรรมฝ่ายนามธรรมเราตามดูจิตเราตามดูจิตก็คืออะไรตามดูจิตก็คืออาการของจิตถ้าไมเวทนาก็สัญญาทําไมสัญญาก็สังขารทําไมสังขารก็วิญญาณ เวทนาขันจัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันมันเป็นอาการของจิตมันเป็นเครื่องมือของจิตซึ่งเราตามท่าสติเราไม่ไม่เฉียบแหลมไม่ทันมันไม่ทันมันมันคอยที่จะสวมรอยมาดึงเราออกไปเพราะฉะนั้นท่านจึงให้กำหนดคำบริกรรมคำบริกรรมโดยเฉพาะท่านให้ครูบาอาจารย์ท่านให้กำกับลม ลมนี่มันทําให้เรารู้สึกที่ตัวเรารู้สึกที่ท้องเราลมเข้าว่าพุทธลมออกว่าโทกําหนดอยู่อย่างเงี้ยทําความรู้สึกอยู่อย่างเงี้ยจําพาะหน้าอยู่อย่างเงี้ยไม่ให้มันหลุดไม้หลุดมือไปไม่ให้มันลืมไปไม่ให้มันเผลอไปลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโททําไปทําไปทําไปเหมือนกับไกวเปร มันก็เริ่มเริ่มแนบแน่นจิตเริ่มอยู่จิตเริ่มสงบเริ่มแนบแน่นอเกิดความรู้สึกที่หน้าอกมันมันแน่นเหมือนลิ้นปีแน่นเข้ามาเหมือนกับลิ้นปีมันดึงเกิดความสงบเกิดความแนบแน่นเกิดปีติสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ช่วยพยุงจิตช่วยดึงจิตให้จิตอยู่ได้ให้วัยให้รู้ให้รู้ทันต่อต่อจิตที่มันจะหนีไป อืแต่ถ้าเราไปกำหนดตามดูจิตเนี่ยบางการบางคราวเนี่ยเรากำหนดได้อืมนอกจากเราชำนาญชำนิชำนาญแล้วถ้าเรายังไม่ชำนิชำนานเราตามดูจิตเราตามดูยากโอกาสที่กิเลสมันจะสวมรอยมานี่ง่ายมากแพลบเดียวเราตามไม่ทันล่ะ ว, วิธีวิธีการสกัดวิธีการสกัดก็คือพอพอเราทราบว่ามันไปปับ๊บนึกอันนั้นปับ๊บมันไปตามมันนั้นล่ะ สี่ขณะจิตห้ขณะจิตน er, าะกว่าเราจะรู้น่ะมันไปปรุงปรุงปรุงรุรุงสี่ห้าครั้งน่ยกว่าเราจะไปรู้น่ะพอเรารู้ปั๊บเนี่ยเราพยายามย้อนไปเห็นอย่างสัญญามาันมามาดึงจิตเราออกไปเนี่ยสัญ ญ, า ส, ญ, ญ า, าสัญญานี่ก็โอยรูปสัญญาสัทธาสัญญาอรูปรูปก็สัญญาเสียงก็สัญญาอจมูกก็สัญญาอื ลิ้นกับสัญญากายกับสัญญาสัญญาเกิดจากกายสัมผัสเนี่ยสัญญาเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่แหละสัญญามันเกิดอารมณ์ที่มันล่วงไปแล้วมันกลายเป็นสัญญาสัญญาก็คือเรานั่งหลับตาเนี่ยสัญญามันก็โผล่เข้ามาที่จิตนั่นแหละบางทีก็สัญญาเสียงโผล่มาบางทีสัญญาบางทีก็สัญญารูปโผล่สัญญาเสียงสัญญากลิ่นสัญญารส สัญญาโพธะคือกระทบเย็ยนร้อนอ่อนแข็งเนี่ยแล้วก็ธรรมารมรวมไปแล้วทั้งหมดนั่นแหละเป็นธรรมารมอะตั้งแต่รูปไปจนถึงโพธะนั่นเป็นธรรมารมเพราะมันเป็นอารมณ์ที่เกิดที่จิตทั้งหมดเราเรียกว่าธรรมารมเป็นสัญญาถ้าเผื่อเราจำมันยากสาเหตุที่เราจำมันยากเพราะเราไม่ทันมัน ทีนี้ถ้าเราทำทันมันเราทำไงเราจะแก้ได้สมมติาสัญญามันหลอกเราเนี่ยเช่นอย่างรูปสวยๆมันพลอขึ้นมามันเป็นสัญญาภายในภายในหัวใจของเราภายในใจของเราเนี่ยพอเราหลับตาปั๊บมันเป็นมโนภาพอ่าเขาเรียกว่ารูปปัสสัญญารูปปัสสัญญาเนี่ยสมมติเราเราเราลึกเราลึกรู้ว่ามันเป็นรูปปัสสัญญาเราจะแก้ยังไงอ่เราก็ตั้งเราก็ตั้งสัญญาแก้ไปเลยแหละ สัญญาตัวนั้นมันเป็นสัญญาฝ่ายเกเอตมันพาแทกเข้ามาเราก็ตั้งเราก็ตั้งสัญญาแทกเข้าไปเลยลบไปเลยเอาสัญญาตัวใหม่เนี่ยลบเข้าไปเลยเช่นอย่างเห็นว่าเห็นว่างามเราก็ดูให้เห็นว่าไม่งามดูให้เห็นตามเป็นจริงดูให้เห็นว่าไม่งามดูไปที่รูปอดูไปที่รูปเนา่ารูปนอนเจาะรูป สีรูปอะไรยั่วเยี่ยนนอนเจาะยุบยับอะไรเราก็ดูไปนี่เป็นสัญญาในเมื่อสัญญามันหลอกเราได้เราก็สร้างสัญญาหลอกมันได้เหมือนกันเพราะว่าสัญญานี้เป็นสัญญาฝ่ายมรักษ์สัญญาที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยดูให้เป็นอสุภอสุพังหรือไม่ก็ดูให้เป็นอนิจจังให้เป็นทุกขงังให้เป็นอนัตตานี่เราใช้สัญญาที่เป็นธรรมนี่ดูเข้าไปแก้เข้าไปลบเข้าไป การคำว่าลบไอตัวนั้นอะ่ะลบตัวนั้นออกเอาตัวนี้เข้าไปแทนลบตัวนั้นออกเอาตัวนี้เข้าไปแทนเพราะสัญญามันเกิดที่ใจในเมื่อเรามีสติระลึกได้แล้วก็สร้างสัญญาตัวใหม่ไปทับไปแทนตัวสัญญาเก่านี่วิธีแก่เราก็แก้เราก็แก้อย่างนี้ลองดูที่แก่ดูเมื่อมันเผลอไปเอออันนี้ไม่ดีเนี่ยมันปรุงอย่างนี้ไม่ดีแล้วก็ปรุงใหม่ให้เป็นมันเป็นสิ่งที่เป็นธรรม ชีวที่เป็นธรรมก็คือหลักธรรมชาติตามความเป็นจริงกิเลสมันปรุงว่าสวยว่างามเราก็ปรุงว่าอสุภอสุพังไม่สวยไม่งามไม่สวยไม่งามยังไงดูไปให้เห็นหนังทะลุไปเนื้อทะลุไปก็เอ็ทะลุไปกระดูก ท, ทะลุไปตับไตไส้พุงหรือทะลุไปให้เป็นซากเป็นศพไม่รู้ตั้งแต่เมื่ อ, อไหร่ตอนไหนเขียวเขียวเขียวดำดำแล้วก็ มันเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมแต่ละหลุมนะ่ะเป็นขุมนอนทั้งนั้นอนะ่ะยัวเยะยวเยยุบยับยุบยับตัวเล็กตัวใหญ่ยัวเยะดูให้เห็นเนะ่ยเราจะเกิดปฏิกู ล, ลสัญญาถ้าเราสามารถลบได้นี่เขาเรียกว่าปฏิกู ล, ลสัญญาสัญญาเห็นว่ากายในปฏิกูลมันจะลบมันจะลบรูปที่สวยที่งามได้อืม หรือถ้ามันบางทีไม่ใช่รูปสวยรูปงามมันเป็นรูปอย่างอื่นมันเป็นเรื่องอย่างอื่นเราก็พยายามสร้างสิ่งที่ตรงข้ามหรือไม่เราดึงมาอยู่กับเนื้อกับตัวสิ่งเรานั้นมก็ดับละพอเราดึงมามีสติกำกับอยู่กับเนื้อกับตัวสิ่งเรานั้นมันก็ดับและเนี่มันมีโอกาสที่จะดึงเราไปได้ได้การที่เรานั่งภาวนาเนี่ยโอกาสที่ที่จิตมันไม่สงบอ่ ากามฉันทะรวมลงแล้วก็คือกามฉันทะเนี่ย น, นี่วรณธรรมข้อแรกะกามฉันทะถ้าเราไม่รักไม่ชังเราก็โกรธก็เกลียดอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดกับคนนั้นกับคนนี้กับสิ่งน้นกับสิ่งนี้อืมเวลามันเกิดมันเกิดอย่างนั้นขึ้นมาเราก็กมา ด, ดูลักษณะตามความเป็นจริงของมันนี่มากับแผ่เมตตาเข้าไปแผ่เมตตาเข้าไปแผ่เมตตาให้กับตัวเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเขาไป เพราะว่ามันไม่สงบเราทําให้จิตสงบมันไม่สงบรูปันิวารธรรมมันมาปิดมากัน้นมีวิธีการวิธีการแก้เราก็แก้ไปมันมีปัญหาทุกระยะไม่ว่าเราไม่ว่าท่านไม่ว่าใครแหละอืเพราะเรื่องกิเลสมันเป็นเรื่องที่มันชอบอิสระในใจของเราเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเราก็มีแต่อิสระกิเลสอิสระรับตามใจมันทั้งหมด มันอยากเราดูยังไงเราเร า, เราถึงจะเห็นกิเลสเราดูที่ความอยากเราจะเห็นว่าจิตใจของเราเนี่กระดุกกระดิกพลิกแปลงไปแต่ละขณะแต่แต่ละขณะเนี่ยมันมีความอยากนําหน้าความอยากรักก็อยากชังก็อยากกรดกรดก็อยากเกลียดก็อยากอืมทุกข์ยากลําบากก็อยากความอยากเท่านั้นดูให้เห็นกันแล้วกัน ดูให้เห็นความอยากความอยากตัวนี้เป็นกิเลสดูให้เห็นมันละเอียดนะดูให้เห็นสมมุติมั น, ม, นมันไม่อยู่ปั๊บเราดูไปให้เห็นตัวความอยากเพราะตัวความอยากนี่เป็นตัวตันหาดูให้เห็นแล้วแล้วแล้วมันก็จะดับถ้าเราเห็นต้นต่อของมันแท้ๆเนี่ยตัวนี้ดับจะทําให้เรามีกําลังมากเราได้กําลังมากทีเดียวเลย มันเห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นต้นต่อของตัวมันแท้ๆอันนี้แหละ ต, ตัวตัวต่ำมันเนี่ยที่มันคอยมากระตุ้นให้จิตเราเกิดความรักความชังความโกรธความเกลียดตัวนี้แหละเป็นตัวต่ําร้ายกาจของมันน่ะแหละตัวความอยากเนี่ยอะไรอยากใจมันอยากใจมันอยากสรุปลงแล้วก็คืออยากในรูปอยากในรสอยากในเสียงอยากในกลิ่น อยากในสัมผัสอสรุปลงแล้วมันมันไม่ไปตรงไหนมัน ไ, มไปตรงนั้นเพราะช่องหากินของมันก็มีแค่นั้นอช่องตาออกไปเห็นรูปช่องหูออกไปได้ยินเสียงช่องจมูกออกไปได้กลิน่นช่องช่องลิ้นออกไปได้รสช่องกายออกไปสัมผัสเช่อนอย่างเราสัมผัสร้นรอนเนี่ยเราไม่พอใจเราไม่ชอบใจมันร้อน ถ้าสัมผัสเยน็นเฉยผิวเหมือนสัมผัสแอร์สัมผัสลายเนี่ยเราสังเกตดูที่ใจของเรามันมันจะต่างกันนะสัมผัสร้อนสัมผัสเยน็นแต่ผู้ที่ท่านเข้าถึงธรรมเนี่ยท่านรู้ตามที่มันเป็นสัมผัสร้อนท่านก็รู้ว่าร้อนสัมผัสเยน็นท่านก็รู้ว่รู้ว่าเย็นมันมีความรู้สึกทันเนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องละเอียดแต่การที่จะเราจะรู้เราจะเข้าใจหรือเราจะทันเนี่ยเราจะต้อง ฝนสติฝนปัญญาของเราตลอดกันสงบอยู่กับที่จากนั้นมาก็พิจรารณาคือฝนฝนสติฝนปัญญาแหละก่อนที่เราจะมารู้จะมาเข้าใจเรื่องต่างๆเหล่านี้ก่อนที่จะสาไปสาไปจนไปเห็นสาเหตุต้นต่อที่แท้จริงคือตัวตัณหาเนี่ความอยากให้จับเอาไว้ความอยากมันพาเราออกไปได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันจะมีตัวนี้เป็นตัวนํา เนี่ยกามาตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาเนี่ยเสยที่ดังกามาตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาออ่ามันหลงไปเพลินไปตัตร ต, ตราพินันดีเนเพลินไปประกอบไปด้วยความเพลินเพลินไปกับอารมณ์ต่างๆเหล่านี้แหละ ซึ่งเราไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้เนะ่ยอวิชชามันปิดบังมิดอลองเพลิ่มไปกับมันทั้งหมดเราดูความละเอียดอ่อนของมันพิจารณาดูสังเกตดูตัวนี้แหละมันเป็นตัวที่เอาใจกิเลสเนี่ยมันเอาใจของเราเนี่ยเป็นเครื่องมือใช้สอยของมันได้อะได้อย่างละเอียดละ อ, อที่สุดอ่ะคนอุบายมายาของมัน เราต้องตั้งกิเลสเอาไว้ให้เป็นคู่ต่อสู้กิเลสมันมีตัวยังไงมันมีลักษณะยังไงเราดูไปที่ความอยากไปในใจของเราเนี่ยอยากแบบหนึ่งคือกามตัณหาอยากแบบหนึ่งคือภวตัณหาอยากแบบหนึ่งวิภวตัณหาอยากในวัตถุกามอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากในความไม่มีไม่เป็น หรือมีแล้วเป็นแล้วแต่ไม่ชอบใจไม่พอใจเช่นอย่างสิ่งที่ที่มันเป็นไปตามธรรมชาติแต่เราไม่พอใจเช่นอย่างมันมันจะต้องแก่ร่างกายต้องแก่เราไม่พอใจการไม่พอใจทั้งนี้นี่เลยถ้าเรียกว่าวิภาวะตัณหาไปปฏิเสธไปขัดแย้งกับธรรมชาติไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายการไม่อยากทั้งนี้ก็คือความอยากนั่นแหละความอยากมันทําให้ไม่อยาก มันฝืนอะความอยากนั่นอะความอยากคือตัณหาเนี่ยมันฝืนฝืนหลักความจริงฝืนหลักธรรมชาติธรรมชาติกายจ ะ, จะต้องแก่จะต้องเจ็บแล้วก็จะต้องตายแต่ว่าตัณหาตัวนี้มันไม่อยากแก่มันไม่อยากเจ็ บ, ม, ม, จบมันไม่อยากตายไอ้ความไม่อยากของมันนั่นแหละคือความอยากแหละมันอยากไม่แก่เนี่ยเราพูดตรงตรงมันอยากไม่เจ็บมันอยากไม่ตายเนี่ย เสร็จแล้วความความคิดแบบนี้มันฝืนหลักความเป็นจริงฝืนหลักธรรมชาติมันไม่สมประสงค์มันไม่สมหวังเสร็จแล้วมันก็แบกทุกข์มันก็แบกทุกข์มันแก่ที่กายกายเริ่มแก่มันก็ทุกกับกายพอกายเจ็บขึ้นมาก็ทุกกับกายพอกายใกล้จะตายก็ทุกกับกายเนี่ยปรารถนาไม่สมหวังแล้วก็ทุกข์จริงแล้วนี่เป็นธรรม พิจารณาเราพิจารณาโดยทรรมให้รู้ให้เข้าใจโดยทำเราทำให้ใจได้รับความสงบสงบขั้นใดขั้นหนึ่งระดับใดระดับหนึ่งเราก็มหัดพิจารณาพิจารณาอย่าไปพิจารณามองเห็นตัวหนังสือที่นู่นที่นี่ให้เรามองเห็นตัวเราเนี่ยมองเห็นตาเรามองเห็นรูปที่ตาไปสัมผัสเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยประตูหกช่องเนี่ย ประตูหกช่องนี่เป็นทวารทั้งหกช่องเนี่ยทวารคือประตูประตูก็คือทวารมันเป็นประตูของอะไรมันเป็นประตูของใจใจมันออกไปทางตาใจมันเอากายนี้เป็นถ้ำเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยมันออกทางทวารทั้งหกมันออกประตูที่มันจะออกไปหากินนอกกายมันหกช่องมันออกไปทางตาออกทางตาเขา Must ไปสมัมผส <trainee> ัสร<ฯ>ูปออกไปทางห <isz> ูไปได้ยินเสียง ออกไปทางจมูกก็ไปสัมผัสกลิ่นออกไปทางลิ่นก็ไปสัมผัสรสออกไปทางกายก็คือสัมผัสกายแล้วก็ออกไปทางใจทางใจนี้ละเอียดทุกอย่างรวมก็รวมลงไปที่ใจนั่นแหละใจมันอาศัยกายนี้เป็นถ้ำอยู่แล้วมันออกไปหากินใจมันออกไปหากินอะไรใจมันออกไปหากินอารมณ์เราไม่รู้จะเรียกอะไรแหละเราเรียก คำว่าอารมณ์เนี่ยอารมณ์ใจมันออกไปหากินทั้งๆที่มันทําอะไรไม่ได้นี่มันไปดูดูนึกนึ ก, นกคิดคิดแล้วมันก็ปลื้มใจมันก็ดีใจแล้วก็บางทีมันก็เสียใจแล้วก็ได้รับอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นแหละมาเขยา่ามาเขย่าหัวใจบางทีก็เขย่ามาถึงกายอย่างเงี้ยไปเห็นอารมณ์รักเงี้ยดูไปดูไปเขย่าเขย่ามาถึงกายไปเห็นอารมณ์ชังอ่ะเขย่ามาถึงกายเนะี่ย มันออกไปหากินใจมันออกไปหากินทําไมใจถึงออกไปหากินใจมีเชื้อเชื้อของใจในที่นี้คือกิเลสนั่นแหะคือเชื้อของมันก็คือตัวความอยากนั่นแหละมันออกไปหากินมันอยู่ในร้ำคือร่างกายของเราแต่มันออกไปหากินออกไปหากินอาหารของมันก็คือดีใจเสียใจยินดียินร้ายโกรธ อิจฉาริษยาอะไรต่ออะไรสารพัดอันเป็นกนอนบายมายาของกิเลสนั่นแหะนั่นแหละคือกิริยาที่มันมันไปกระทบมันไปหากินอารมณ์ต่างๆหล่วนั่นแหละนะซึ่งมันมันพร้อมที่จะลวงจิตของเราทุกระยะทุกเวลาจิตของเราเนี่ยพร้อมที่จะหลงให้มันดึงไปดึงไปเป็นเครื่องมือไปเป็นลูกสมุนของมั น, นะ นอกจากมีนอกจากมีกายนอกจากมีกายตาหูจมิ้นุบลิ้นกายแล้วมันก็ยังมีใจอาการอาการของใจอย่างหนึ่งก็คือกายกายของเรานี่็ถือว่าเป็นอาการอย่างหนึ่งของของใจนะร่างกายของเราเนี่ยแล้วอาการของใจอีกต่างหาก ok ก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเ น, นี่ยเราดูที่ทํางาน ของมานันน่ยพุนไปหมดน่ยไม่รู้มันจะออกไปช่องไหนที่จะไปหาอยู่หากินทําไมราจะทันมันเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงให้ทะให้สงบให้สงบซะก่อนให้จับมันได้จับตัวจิตได้จิตมันเชื่องอยู่กับความสงบอยู่กับอารมณ์พราจิตอยู่กับอารมณ์ก็คือสงบอยู่กับอารมณ์เสร็จแล้วเรา ค, ค่อยค่อยค่อยมีสติดีมีสัมปชัญญะดี ส, ญญดสติก็คือเกิดที่จิตสัมปชัญญะก็เกิดที่จิตนั่นแหละ มันเป็นเจตสิกรธรรมมันเป็นธรรมะฝ่ายฝ่ายฝ่ายดีถ้าจิตมันเด่นที่สุดกับอารมณ์ใดอารมณ์นั้นจะต้องประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยสัมผชัญญะเพราะฉะนั้นตัวสติตัวสัมผชัญญะจึงเป็นอุปกรณ์เป็นชิ้นส่วนที่เราควรระลึกให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็พยายามเจริญให้มีกำกับที่กายที่ใจของเราตลอดตัวสติคือยังไงคืออาการยังไงตัวสัมผชัญญาคืออะไรคืออาการยังไง พยายามศึกษาพยายามไคครวญดูให้ดีรู้อยู่กับตัวเองตลอดนี่แหละมีสติกำกับตลอดมีสัมปัชัญแยกํำกับตลอดรู้จิตมันกระดุกกระดิกพลิกแพลงไปได้เร็วได้ช้าขนาดไหนเราตามรู้ตามเข้าใจมันหมดมใช้คำว่าตามเราใช้คำว่าตามแท้จริงเราไม่ใช้คำว่าตามก็ได้ถ้าสติเราดีปัญญาเราดีเราไม่จเราไม่จาเป็นต้องตาม เราไม่จําเป็นจะต้องตามดูจิตเรารู้พร้อมมันเลยรู้พร้อมมันเกิดมันพร้อมที่จะเกิดมันพร้อมที่จะเกิดอะไรขึ้นเราก็รู้พร้อมรู้พร้อมรู้พร้อมอันนี้ก็ถือว่าเฉียบแหลมและทันกันแหละตอนเนี้สามารถดักหน้าดักหลังตน้นหน้าตน้นหลังกันได้แล้วแหละแต่ทําใถ้าให้ถึงขั้นนี้จําเป็นว่าเราจะต้องตามตามดูว่าจิตมันเดินไปยังไงมันเป็นนึก มันไปคิดมันอะไรบางทีเราก็ตามไม่ทันมันมันไปนึกไปคิดไปเสพอารมณ์สองสามขณะจิตแล้วกว่าเราจะรู้อตอนรักก็กเกิดรักเต็มที่แล้วชังก็เกิดชังจนหน้าดำหน้าแดงแล้วกว่าเราจะรู้ทันเพราะเรารู้ไม่ทันมันอมพอเราทำไปทำไปสติของเรากล้าปัญญาของเราก็เฉียบแหลมทันรู้ทันเลย แฉ็บแฉ็บทันเลยแป๊บทันเลยนอกจากทันแล้วทันแล้วก็ใช้ความนึกคิดคลี่คลายไขครวนไตรตรองให้เป็นเรื่องของปัจจุบันคลี่คลายดูสิ่งที่กิเลมันพาหลงนั่นแหละมันพาหลงตายเราก็มาคลี่คลายดูกายะดูลักษณะของกายมันยินดีอะไรมันชอบอะไรมันต้องการอะไรศึกษาท่านให้ศึกษาให้หมดนั่นแหละ มาคลี่คลายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาคืออะไรเวทนาพร้อมที่จะเกิดได้ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจสัญญาพร้อมที่จะเกิดได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลึกะสังขารสังขารก็คือการทํางานของจิตนั่นแหละจิตมันขยับแต่ละขณะแต่ละขณะนั่นแหละคือจิตทํางานอะกายสังขารจิตตสังขาร สังขารมันทำงานสังขารขันท่านหมายถึงจิตคิดเรื่องบุญจิตคิดเรื่องบาปอเนนชาพิสังขารปุญญาพิสังขารจิตปรุงเนึกเรื่องบุญอปุญญาพิสังขารจิตปรุงเรื่องไม่บุญก็คือเรื่องบาปอเนนชาพิสังขารอันนี้จิตไม่ปรุงคือจิตสงบจิตนิ่งจิตทรงฌานอเนนชาพิสังขารจิตทรงฌาน จิตสรงฌานอันนี้ไม่เป็นโทษไม่เป็นอันตรายอะไรแต่มันก็อยู่ในงานคืออยู่ในผลงานของจิต ท, ที่ทํางานได้คือมีมีฌานมีองค์ฌานจิตเข้าถึงความสงบขั้นใดขั้นหนึ่งแต่เรียบประองค์เป็นองค์ฌานอนเนญชาพิสังขารมีความปรุงแต่งของจิตถ้าเราจะแยกแยะมันก็เป็นอย่างนี้เราดูเรา ร, ร, ร, รู้เข้าใจเราทั้งแยกแยะออกการทํางานของเรามันถึงจะ รวดเร็วทันแล้วก็ไม่เผลอแล้วก็ไม่หลงบางทีหลงปรุงไปกับมันทั้งๆที่เราไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราเรากว่าเราจะรู้นี่เราก็หลงกลให้กับมันทั้งนานท่านจึงให้ศึกษาให้รู้จักหลักรู้จักเหตุรู้จักต้นต่อของมันให้รู้อย่างน้อยให้รู้จักรูปประธรรมให้รู้จักนามธรรมให้รู้จักขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ส่วนไหนเป็นรูปส่วนไหนเป็นนามรูปเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นนามรูปก็คือสิ่งที่เรามองเห็นกระทบได้ด้วยตาหจูจมูกลิ้นกายนามก็คืออาการของจิตคือจิตคือผู้รู้คือธาตรู้มันมีอาการของมันคือคือพร้อมที่จะเกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอาการของจิต คือธาตุรู้คือผู้รู้ผู้รู้ออกมาแสดงในลักษณะของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณนี่คือขันธ์ทั้งห้าเราจะต้องดูเราจะต้องพิจารณาเราจะต้องศึกษาติดแนบอยู่กับเนื้อกับตัวเราตั้ง อ, อกตั้งใจไปงานนี้เป็นงานที่เราต้องอาศัยการต่อสู้พอสมควรไม่ใช่พอสมควรแหละ เหลื อ, เ, ลอดเดนตายพอนะ่ะไม่ใช่พอสมควรแหละงานนี้เดนตายอคิดดูแต่ครูบาอาจารย์ท่านนั่งเน่ะทิ้งเลยร่างกายเนี่ยอืพอเวลาออกมาเลยก็ตายหมดขยับเ ข, ขยื่อนไม่ได้มันตายหมดเพราะนั่งสู้กันนั่นแหละกว่าจะเข้าใจมันกว่าจะรู้เรื่องมันนั่งสู้เวทนากว่าจะเข้าใจมันกว่าจะรู้เรื่องมัน กว่าจะเข้าถึงตัวละเอียดอันเป็นสัจธรรมซึ่งปรากฏตามหลักความเป็นจริงของมันเนี่ยมันต้องเอาเป็นเอาตายเข้าเข้าแลกจริงๆกว่าเราจะรู้เราจะเข้าใจนี่ประเภทปฏิบัติยากแล้วก็รู้ยากปฏิบัติยากรู้ง่ายปฏิบัติง่ายรู้ง่ายทำไมเราจะปฏิบัติง่ายรู้ง่าย ส่วนมากมีแต่ปฏิบัติยากรู้ยากปฏิบัติยากรู้ง่ายก็มีปฏิบัติง่ายปฏิบัติสะดวกสบา ย, บายแต่รู้ยากก็มีมันก็มีอยู่อย่างนี้มันไม่มีอยู่หน้าเดียวมันมีหลายหน้ามันพร้อมที่จะเกิดตามเหตุตามปัจจัยภายในใจของเราเนี่ยแหละเอาวันนี้ยุติเท่านี้แหละเนาะไปปรารบความเพียรต่อไปเดินไปนั่งไปอะไร กลางคืนอากาศดีเวลาเงียบสงัดดีปลอดโปร่งดี